บุรนิธิพรรัตนสุวรรณขอเสนอรายการเสียงธรรมเรื่องวิธีชนะความโกรธจากผลงานเขียนของอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณต่อไปนี้เป็นคำนำในการเขียนเรื่องนี้โดยอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณคานำ การสอนพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการรักษาโรคเช่นจะสอนเรื่องความโกรธผู้สอนจะต้องทราบถึงสาเหตุแห่งความโกรธทุกๆกรณีจนกระทั่งในที่สุดจับหลักได้ว่าสาเหตุของความโกรธมีอะไรบ้างอะไรคือต้นเหตุและอะไรคือเหตุประกอบการทราบเรื่องราวของความโกรธอย่างละเอียด เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกับแพทย์ทราบเรื่องราวของโรคแต่ละชนิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนนอกจากนี้ผู้สอนจะต้องทราบถึงความตื้นลึกหนาบางหรือความเป็นไปแห่งความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่จะสอนอย่างละเอียดข้อนี้ก็เปรียบเหมือนแพทย์รู้เรื่องความเป็นไปของร่างกายอย่างละเอียด ทั้งในแง่กายวิภาคในแง่สรีระวิทยาในแง่เคมีและในแง่ฟิสิกส์และอื่นๆอีกด้วยและจะต้องทราบถึงสิ่งแวดลอ้อมความจำเป็นการอาชีพและการศึกษาของผู้ที่จะสอนอันนี้ก็เปรียบเหมือนแพทย์จำเป็นจะต้องรู้ถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมของคนไข้ด้วย การสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลจริงจผู้สอนจะต้องมีความรอบรู้ในหลักการต่างๆดังที่กล่าวมานี้การที่จะให้ผู้สอนมีความชนานาญในด้านการต่างๆดังที่กล่าวมานี้แน่ละถ้าผู้สอนมีความรู้แต่เพียงจากการอ่านหนังสือธรรมที่คนนั้นคนนี้เขียน หรือเที่ยวฟังปาธกถาเก็บความรู้จากที่นั่นบ้างที่นี่บ้างโดยที่สุดแม้ว่าผู้สอนจะมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกก็ตามแต่ถ้าผู้สอนมีความรู้เพียงเท่าที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าการสอนศาสนาจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้น ท่านจะเห็นว่าการที่จะมีความรู้ในหลักการต่างๆดังที่กล่าวมาในตอนแรกนั้นผู้สอนจะต้องได้คุกครีกับคนที่จะสอนสมมติว่าเราจะสอนคนที่มีนิสัยโกรธง่ายให้เลิกจากนิสัยอันนี้ผู้สอนจะต้องเคยทําการสอนคนประเภทนี้มามากเหมือนกับนายแพทย์ จะต้องศึกษาเรื่องโรคจากคนไข้ศึกษาวิธีรักษาจากคนไข้ด้วยจนกระทั่งมีความรู้และความชำนาญข้อนี้ฉันใดผู้ที่จะสามารถสอนคนให้เลิกจากนิสัยโกรธง่ายหรือให้หายจากโทสะให้หายจากนิสัยอมหิจอะไรเหล่านี้เป็นต้น ผู้สอนจะต้องทาการศึกษาเกี่ยวกับคนประเภทนี้มาอย่างละเอียดศึกษาจากคนจริงๆไม่ใช่ศึกษาแต่เพียงจากตำราและต้องมีผลงานแสดงให้เห็นว่าเคยช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ผลมามากแล้วอย่างนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในทางนี้จริงๆ เช่นปู้ทุชนทุกคนย่อมจะต้องมีความโกรธเป็นธรรมดาซึ่งบางคนก็ร้ายแต่บางคนก็ไม่ร้ายบางคนก็โกรธง่ายหายเร็วแต่บางคนก็โกรธง่ายแต่หายช้าบางคนเรื่องอย่างนั้นจึงจะทําให้โกรธแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้แล้วไม่โกรธเฉพาะโรคอย่างเดียวคือความโกรธเท่านั้น ถ้าหากศึกษาจากคนเราก็จะพบถึงความแตกต่างและความเหมือนกันหลายอย่างหลายชนิดแต่แล้วในที่สุดผู้ที่มีประสบการณ์ในทางนี้มามากก็สามารถที่จะกำหนดวิธีรักษากล่าวคือคำแนะนำในอันที่จะระงับความโกรธออกมาหลายรูปหลายแบบและด้วยหลักการเหล่านี้เอง เราเขาจะเห็นหนังสือเล่มเล็กๆสำหรับอ่านในระยะสั้นๆเพื่อป้องกันไม่คนอ่านเบื่อและไม่ต้องเสียเวลามากซึ่งแต่ละเรื่องผู้สอนจะเป็นคนกำหนดให้อ่านโดยในยะนี้ผู้ป่วยก็จะได้ยาที่เหมาะแกะ่โรคของเขาจริงๆหลักการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ดังที่ข้าพเจ้าได้สาธยายมาให้ดูโดยสังเขตนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นงานใหญ่มากแต่ก็เป็นงานน่าส่งเสริมและจำเป็นแก่สังคมอย่างยิ่งหนังสือวิธีชนะความโกรธดังที่ข้าพเจ้าเขียนมานี้เป็นเพียงผลงานหยาบๆจากการวิจัยของข้าพเจ้ามีค่าเป็นเพียงยาอย่างธรรมดาชนิดหนึ่ง สำหรับที่จะนำไปแก้ในเรื่องความโกรธเป็นตัวยาสำเร็จรูปที่ลองทำขึ้นมาจากประสบการณ์ต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยใช้ได้ผลมาแล้วแต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าเฉพาะในเรื่องเคียรขจัดความโกรธหรือบรรเทาความโกรธให้น้อยลงนั้นก็มีหลักการและวิธีการอีกมากมายหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงหนังสือตัวอย่างอันเล็กน้อยซึ่งบางคนอาจจะใช้ได้ผลแต่บางคนแม้จะอ่านจนจบตั้งหลายเที่ยวก็อาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่ายาขนาด น, นี้ไม่เหมาะแก่ท่านต้องใช้ยาอีกขนาดหนึ่งและถ้าหากข้าพเจ้ามีเวลาพอ ข้าพเจ้าก็จะพยายามผลิตหนังสืออันเป็นเสมือนหนึ่งยาสำเร็จรูปที่ผู้อ่านจะนำไปใช้ได้ผลและไม่ต้องเสียเวลามากเช่นนี้ในโอกาสต่อไปอีกพรรัตนาสุวรรณเรื่องวิธีชนะความโกรธ คนที่รู้สึกซึ้งว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือคนที่มีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆในทนองเดียวกันกับคนที่จะซึ้งว่าความเจ็บป่วยทรมานอย่างไรก็คือคนที่เป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนที่มีโทสะเกิดขึ้นบ่อยๆ ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะให้มันเกิดแต่เป็นเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนคนป่วยถ้ายิ่งป่วยบ่อยๆเขาก็ยิ่งจะรู้สึกว่าทําอย่างไรเขาจึงจะพ้นไปจากความทุกข์ทรมานอันนี้ได้และทุกคนก็ทราบดีว่าคนป่วยส่วนมากช่วยตัวเองไม่ได้ แม้คนป่วยบางคนจะเป็นหมออยู่แล้วก็ตามก็ยังต้องขอให้หมอคนอื่นช่วยรักษาให้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ที่จะแนะนำคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเอะอะตึงตังบ่อยๆนั้นขอให้เข็นใจคนประเภทนี้เขาเป็นคนไม่สบาย ไม่ใช่คนปกติเขาเป็นคนป่วยในทางจิตใจซึ่งคนที่อยู่ใกล้เคียงจะต้องให้อภัยจะต้องไม่ถือโทษจะต้องไม่โกรธตอบอย่าไปต่อว่าในทนํานองว่าทําไมคุณจึงเป็นคนอย่างนี้อะไรทํานองนี้เป็นต้นก็คนที่กําลังป่วยอยู่จะมีใครบ้างที่ใจไม้ไส้รกรรมไปต่อว่าในทนํานองว่า มัวแต่เจ็บอยู่ได้ไม่รู้จักหายมีคนป่วยคนไหนบ้างมเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วจะไม่น้อยใจจะไม่รู้สึกแสลงใจเพราะตัวเองย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเขาอยากจะหายให้เร็วที่สุดแต่เป็นเพราะร่วง ม, มันไม่ยอมหายเขาไม่รู้จะทำอย่างไรคนป่วยทางร่างกายเราเข้าใจง่าย และส่วนมากก็เห็นใจกันและคนที่อยู่ข้างเคียงทุกคนก็พยายามเอาใจคอยระมัดระวังของสแสลงลงทั้งในร่างกายและจิตใจและถ้าหากคนไหนเอาของสแสลงให้คนไข้รับประทานพูดหรือแสดงกุณียาที่ทำให้คนไข้สแสลงใจเราต้องถือว่าคนนั้นเป็นคนใจร้ายใจดำ มีเจตนาไม่ดีต่อคนป่วยในทํานองเดียวกันถ้าในบ้านเรามีคนซึ่งมีนิสัยโกรธง่ายเอะอะตึงตังง่ายและเราก็อยู่ใกล้เคียงแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนป่วยคิดว่าเขาเป็นคนปกติหรือคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีถ้าเราไม่แสดงความเห็นใจเขาโมโหมาเราก็โมโหไป ถ้าอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้อันที่จริงคนที่เกิดโมโหง่ายคือคนไม่สบายเขาเป็นคนไข้ในทางจิตใจถ้าหากเราปรารถนาที่จะแก้นิสัยคนประเภทนี้เราจะต้องเป็นคนใจเย็นเขายิ่งมีโมโหมากเท่าไหร่เราก็ต้องใจเย็นมากเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาอันนี้ได้แต่ว่าเรื่องอย่างนี้คนส่วนมากไม่มีใครทําได้เพราะทุกคนก็เป็นคนป่วยเมื่อเห็นคนอื่นเกิดโมโหใส่หน้าเราเราก็ต้องเกิดโมโหบ้างเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ว่านี้โดยวิธีที่หวังจะให้คนที่อยู่ด้วย หรือคนที่ทำงานด้วยเป็นคนใจเย็นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือหากจะเป็นไปได้ก็จะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าน้อยคนมากที่จะใจเย็นอยู่ได้ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเกิดโทสะ บ, บ่อยๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเกิดโทสะเฉพาะเกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับคนอื่นก็ตามฉะนั้น ถ้าใครมาพูดเกลี้ยกลาดแสดงโทสะใส่หน้าเราน้อยคนนักที่จะอดโทสะไว้ได้เพราะทุกคนเป็นคนป่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นคนใจเย็นแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรุนแรงต่อเขาอย่างไรคนคนนั้นก็ไม่โกรธตอบ แสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาถ้าใครได้คนอย่างนี้เป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานเป็นสามีเป็นพัญยาต้องนับว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้มีบุญอย่างมากและคนที่ใจเย็นเช่นนั้นได้ต้องนับว่าเป็นคนพิเศษเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า คนที่ซึ้งว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือคนที่โกรธ บ, บ่อยๆเพราะความโกรธทำให้เขาเสียหายอย่างไรทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างไรเขารู้ดีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนำาสีก่อนว่าเราอย่าไปตาหนิคนที่โกรธ บ, บ่อยๆต้องพยายามคิดว่าเขาเป็นคนป่วยที่เราจะต้องเห็นใจ แต่ถ้าหากเราทำไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจว่าเราก็เป็นคนป่วยเหมือนเขาเหมือนกันถ้าหากบรรดาบุคคลที่เกิดโทสะบ่อยๆจะพึงสำนึกความจริงข้อนี้ได้ก็จะเป็นวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างหนึง่งและเป็นวิธีที่จะต้องใช้ก่อนวิธีอื่น และการที่จะนําอวิธีนี้มาใช้กับตัวเองก็คือเมื่อเห็นใครเกิดโทสะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็ตามเราต้องพยายามคิดให้เห็นว่าเขาเป็นคนป่วยจงพยายามคิดให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการที่จะแก้ไขตัวเองหรือแก้ไขคนอื่นจะไม่มีทางทําได้เลยอันหนึง่ง สมมติว่าเราคิดได้ว่าคนที่เกิดโทสะบ่อยๆนั้นคือคนป่วยและมีความรู้สึกเห็นใจเกิดขึ้นแล้วในขั้นต่อมาต้องพิจารณาที่ตนเองว่าเวลาที่เราเกิดโทสะก็คงจะเป็นแบบอย่างเดียวกับเขานั่นเองเขาก็ป่วยเราก็ป่วยเราเป็นโรคอย่างเดียวกัน จะแตกตันก็ต่เพียงว่าใครป่วยมากกว่ากันเท่านั้นการที่พระพเจ้าแนะนำให้คิดอย่างนี้ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้คนป่วยด้วยโรคนี้เกิดความเห็นใจเกิดความเมตตาปราณีพระตัวย่างที่จะแก้โรคนี้ซึ่งเป็นตัวยาที่มีประสิทธิภาพก็คือความเห็นใจกัน และความเมตตาปรานีต่อกันขอให้ท่านนึกถึงตัวอย่างอย่างนี้พ่อแม่ย่อมจะมีความเมตตาปรานีต่อลูกและเห็นใจลูกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความผิดที่ลูกกระทำขอให้สังเกตดูว่าพ่อแม่ให้เอาภัยอยู่เสมอกล่าวคือไม่ทำให้พ่อแม่โกรธเว้นไว้แต่ว่า การกระทาของลูกอันนั้นจะเป็นที่ขัดใจหรือเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความเดือดดาอนอย่างมากแต่ถึงกระนั้นเราก็จะพบว่าพ่อแม่ที่มีความเมตตาปรานีสูงและมีความคิดลึกซึ้งก็มักจะให้อภัยได้อีกและในระหว่างเพื่อนกับเพื่อนหรือในระหว่างพี่น้องด้วยกัน เราก็จะสังเกตเห็นตัวอย่างอันนี้ได้ชัดกล่าวคือการกระทาอย่างเดียวกันซึ่งถ้าคนอื่นมากระทาต่อเราเราโกรธแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เรารักและหวังดีบางทีแทนที่เราจะโกรธเรากลับวุเนวระชอบใจทุกคนย่อมเคยเห็นเด็กทารกที่กําลังช่างพูด ซึ่งถ้ามีใครไปขัดใจไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่ของเขาก็ตามพ่อก็โกรธและมักแสดงกริยาหรือคำพูดที่ไม่ดีออกมาแต่ว่าแทนที่พ่อแม่หรือพี่ของเขาจะโกรธตรงกันข้ามบางทีเราก็พบว่าเขาหัวเราะชอบใจและก็แย่ให้เด็กคนนั้นเกิดโทสะอีก แล้วก็หัวรอ ก, กันทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงทำได้ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรเป็นเพราะพ่ อ, พอแม่หรือพี่ของเขามีความรักความเมตตาปรานีสูงและอีกประการหนึ่งก็เพราะคิดว่าเขาเป็นเด็กไร้เดียงสาและเด็กมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเรายั่วให้โกรธประเดียวเดียวความโกรธก็หาย เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ไม่ถือก็เพราะความเอ็นดูและคิดว่าเขาเป็นเด็กจากตัวอย่างของเด็กที่กบเจ้าเล่าให้ฟังนี้ท่านจะแลเห็นว่าตัวยาสาคัญที่จะระงับความโกรธของเราได้ก็คือความเมตตาปราณีและความเอ็นดูเพราะคิดว่าเขาเป็นเด็กขอให้สังเกตคาที่ว่าเพราะคิดว่าเขาเป็นเด็ก คนทั้งหลายไม่ถือในเรื่องเด็กก็เพราะเขาไม่เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบกับเด็กว่าเป็นคนชั้นเดียวกันเรารู้สึกโดยอัตโนมัติทีเดียวว่าเข้าเด็กเราผู้ใหญ่เราจะทำอย่างเด็กไม่ได้สำหรับในกรณีของผู้ใหญ่คนส่วนมากไม่ได้เอาหลักอันนี้ไปใช้กับตัวเอง ส่วนมากเราตีราคาเขากับเราเหมือนกันตีราคาเป็นคนชั้นเดียวกันโดยเมื่อรู้สึกตัวขอให้สังเกตว่าเด็กกับเด็กเล่นกันไปเล่นกันมาประเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันแม้ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่น่าจะทะเลาะ ก, กันเลยการที่เด็กกับเด็กทะเลาะ ก, กันง่าย ก็เพราะต่างฝ่ายต่างตีราคาตัวเองเท่ากันผู้ใหญ่ไม่โกรธเด็กก็เพราะผู้ใหญ่ตีราคาสูงกว่าเด็กมากในทํานองเดียวกันบุคคลที่เป็นผู้ดีซึ่งเขาปรจวหมายความว่าเป็นผู้ดีโดยภูมิธรรมไม่ใช่โดยยศศักดิ์อำนาจผู้ดีที่มีความสำนึกในตัวเองว่าเป็นผู้ดีอยู่เสมอนั้น ถ้ามีบุคคลอื่นมากล่าววาจาหยาบหรือแสดงกุริยาหยาบอย่างไรก็ตามส่วนมากเขาก็จะไม่โกรธเพราะความรู้สึกในใจมันจะบอกว่าเราอยู่อีกฐานหน้าหนึ่งซึ่งจะทำอะไรเหมือนกับเขาไม่ได้สมมติว่าเราไปหย่ลิงที่เขาดินให้มันโกรธถ้าเราก็โกรธบ้างในเมื่อลิงมันตะคอก หรือแสดงกริยาหยาบคายต่อเรานั่นย่อมหมายความว่าเราวีฐานะเท่ากับลิงแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครแสดงอาการกโกรธตอบลิงนอกจากลิงมันจะมากัดเท่านั้นซึ่งในกรณีหลังนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งและพร้อมกันนั้นถ้าหากเราเป็นคนมีนิสัยประกอบไปได้วยความเมตตากรุณา ความเห็นใจก็จะเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ให้อภัยแก่เขาได้หลักอันนี้สำคัญมากอันที่จริงตัวอย่างในเรื่องนี้เราเห็นกันอยู่เสมอแต่เนื่องจากเราทั้งหลายไม่เจะได้หยิบขึ้นมาพิจารณาเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักวิธีที่จะระงับความโกรธแต่อย่างไรก็ดี การที่เราจะมองให้เห็นว่าคนที่โกรธง่ายเป็นคนป่วยนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากทั้งนี้เพราะเราเองก็เป็นคนป่วยความจริงเราควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ง่ายแต่กลับไม่ค่อยเข้าใจกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุที่สำคัญอันหนึ่งคือปมเคือง คนโดยมากมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดก็มักจะมีความรู้สึกแต่เพียงว่าเข้ากับเราเสมอกันแต่ถ้าหากรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาก็ยังจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่มีความภูมิใจในตัวเองถ้าเราสอบได้ที่หนึ่งแน่ละ ทุกคนจมสบายใจหรือดีใจมากถ้ายิ่งชนะคนอื่นได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีใจมากเท่านั้นความรู้สึกที่ว่าเราดีกว่าคนอื่นมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราสบายใจและทุกคนต้องการความสบายใจเพราะฉะนั้นจึงยากที่จะรักษาความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอแต่ ถ้าหากรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาก็ย่จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่มีความภูมิใจในตัวเองถ้าเราสอบได้ที่หนึ่งแน่ละทุกคนย่อมสบายใจหรือดีใจมากถ้ายิ่งชนะคนอื่นได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีใจมากเท่านั้นความรู้สึกที่ว่าเราดีกว่าคนอื่น มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราสบายใจและทุกคนต้องการความสบายใจเพราะฉะนั้นจึงอยากที่จะรักษาความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอการที่เราไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าคนที่โกรธง่ายคือคนป่วยนั้นเป็นเพราะมันขัดกับปมเรื่องอันนี้เพราะในเมื่อเรารู้สึกว่า คนคนนั้นเขามีอะไรดีกว่าเราในเมื่อเราเข้าใกล้คนประเภทนี้ก็มักจะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจหรือไม่ก็ทำให้เราไม่ค่อยจะร่าเริงเพราะฉะนั้นถ้าหากเราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีถึงแม้ในขณะนั้นจะไม่บอกกับใครว่าตัวเองเป็นคนดีหรืออาจจะไม่รู้สึกเสียซ้าไปว่า ตัวเองเป็นคนดีกว่าเขาก็ตามแต่ในขณะที่เรานึกว่าเขาไม่ดีซึ่งเป็นความคิดที่ออกมาจากความรู้สึกในส่วนลึกที่ไม่อยากจะเห็นคนอื่นดีกว่าตนเองนั้นมันทำให้เรารู้สึกสบายใจความรู้สึกในทำนองนี้มีด้วยกันทุกคนและคนที่มีมากที่สุดก็คือ คนที่แสดงความอิจฉาริษยาออกมาเสมอในว่าเห็นคนอื่นได้ดีและทุกครั้งจะดีอกดีใจถ้าเห็นคนอื่นทำอะไรผิดหรือมีเรื่องเสียหายอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้ที่มีความรู้สึกอยากจะเด่นกว่าคนอื่นน้อยการแสดงกิริยาเยี่ยงคนที่อิจฉาริษยานั้นจะไม่มี เพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงมาติดอยู่ตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนป่วยก็หมายความว่าเรายอมรับว่าเขายังเป็นคนดีอยู่และถ้าหากคนคนนั้นโดยปกติเขาก็มีอะไรเหนือเราอยู่แล้วและในจิตใจส่วนลึกไม่ต้องการเห็นเขาเหนือกว่าฉะนั้น เมื่อมีโอกาสที่เราจะอยู่เหนือเขาบ้างเช่นในกรณีที่เขาแสดงความโกรธออกมาซึ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งของเราจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะอยู่เหนือเขาบ้างเพราะฉะนั้นความรู้สึกจากข้างในมันจะสั่งการออกมาทันทีว่าเขาเป็นคนไม่ดีจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนป่วย แต่ท่านรู้หรือไม่ว่ามเมื่อท่านคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีซึ่งเป็นความคิดที่ออกมาจากปมเขื่องของตัวและเป็นความคิดที่ไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นเป็นความคิดที่ไม่รู้จักมองคนอื่นในแง่ดีความคิดแบบนี้เป็นบาประครันแล้วบาปอันนี้มันก็ให้ผลทันที นั่นก็คือไม่เห็นเขาโกรธเราก็จะรู้สึกทันทีว่าเขาเป็นคนไม่ดีและด้วยบาปอันนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนไม่ดีไปอีกเหมือนกันหมายความว่าเมื่อใครเขาโกรธเราเราก็ต้องโกรธเขาเราจะยับยางตัวเราเองไม่ได้ครั้นแล้วความทุกข์ความเสียหายไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะเกิดขึ้นกับเรามันเป็นกรรมชั่วที่ให้ผลเห็นทันตาตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่ทั่วๆไปในสังคมแต่ไม่มีใครคิดจึงไม่รู้ความจริงคนที่ถูกตามใจมาจงเคยตัวจะเอาอะไรมีคนหาให้เสมอคนประเภทนี้มีปมเขื่องมาก และอันตรายก็มีมากเพราะความรู้สึกอันหนึ่งจะฝังใจอยู่เสมอว่าเราต้องอยู่เหนือคนอื่นเสมอคนประเภทนี้จะคิดได้ยากมากว่าคนที่โกรธคือคนป่วยเพราะการคิดเช่นนั้นมันขัดกับปมเรือ ง, องปมเรืองจะไม่ยอมให้คิดอย่างนั้น คนในสังคมส่วนมากมีปมเขืงด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะแนะนำให้คิดว่าคนโกรธคือคนป่วยจึงเป็นการยากมากแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบว่าถ้าท่านไม่ยอมลดปมเขืงไม่ยอมคิดว่าคนโกรธคือคนป่วยท่านก็จะกลายเป็นคนโกรธง่าย แม้ในเรื่องที่ไม่มีเหตุผลท่านจะยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้และนั่นจะหมายความว่าถ้าพื้นสันดานเดิมเป็นคนมีความรุนแรงหรือมีความร้ายกาจอยู่ความโกรธที่ยั้งไม่อยู่นี้มันจะฉุดเอาความรุนแรงหรือความร้ายกาดนั้นนี้ออกมาด้วยและจะยับยั้งไม่อยู่ผลเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้น จะพึงมีอย่างไรขอให้สังเกตดูจากคนอื่นขอให้นึกถึงตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้สมมติว่าเกิดไฟไหม้ใดที่ซึ่งใกล้ถังน้ำมันแน่นอนถังน้ำมันก็จะระเบิดขึ้นมาในเมื่อไฟที่เกิดเพียงเล็กน้อยนั้นไม่รีบดับเสียในระยะแรกในทํานองเดียวกันคนที่มีความร้ายกาศ หรือความโมโหร้ายซ่อนอยู่ในสันดานความโกรธเพียงเล็กน้อยนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วดับไม่ได้มันก็อาจจะลูกลามไปดึงเอาความร้ายกาจนั้นออกมาและจะยังไม่อยู่ด้วยเหตุนี้เองเราจึงพบตัวอย่างในทํานองนี้เสมอเช่นโกรธกันด้วยสาเหตุเพียงเล็กน้อยแต่แล้วก็ถึงกับฆ่ากันตาย หรือไม่ก็เกิดความเสียหายในด้านอื่นเช่นเข้าของเสียหายหรือต้องเสียเงินเสียทองต้องถูกออกจากงานอย่างนี้เป็นต้นขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่ยอมคิดว่าคนโกรธคือคนป่วยซึ่งเป็นบทฝึกหัดที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นถ้าไม่ยอมคิดอย่างนี้ใช่บ้าง ท่านจะไม่มีทางระ ง, งับนิสัยโทสะได้สมมติว่าเราเป็นผู้ปกครองคนและต้องรับผิดชอบต่องานหลายอย่างถ้าคนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาทำอะไรไม่ถูกใจแล้วท่านก็เกิดโมโหบางทีเรื่องเพียงเล็กน้อยก็ด่าเขาเสียมากมายจนทำให้คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชานั้น รู้สึกเอือมระอาไม่อยากจะทำงานด้วยและส่วนมากถ้าหัวหน้าเป็นเช่นนี้ลูกน้องก็มักจะเกลียดชังไม่อยากจะร่วมมือทำงานด้วยแต่ที่เขาจำเป็นต้องทำก็เพราะยังไม่มีทางไปจึงจำใจต้องทนอยู่สมมติว่าเราเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องแบบนี้ งานในหน้าที่จะเจริญเท่าที่ควรไม่ได้เพราะงานทุกอย่างต้องอาศัยกันในเมื่อคนที่ทํางานด้วยไม่มีกําลังใจทํางานงานจะก้าวหน้าได้อย่างไรความเสียหายในจุดนี้บุคคลที่เป็นหัวหน้าบางคนมักจะมองข้ามและที่มองข้ามก็พราบบ่มขื่นในตัวเองทําให้ไม่มีความเห็นใจในลูกน้อง การให้อภัยจึงมีไม่ได้แต่มันเขาช่างเป็นครออกกรรมของบุคคลที่มีปงเขื่องเกือบจะทุกคนกล่าวคือมองไม่เห็นความบกพร่องในตัวเองคอยแต่จะนึกว่าตัวเองยังดีอยู่เสมอบาปกรรมอันนี้ตามสนองคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่รู้สึกตัวกล่าวคือ นอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายในหน้าที่การงานดังที่กล่าวมาแล้วตัวบุคคลที่เป็นหัวหน้านั้นก็จะเป็นผู้มีอารมณ์เย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนำว่าถ้าเห็นใครเขาแสดงความโกรธจะเป็นการแสดงต่อเราหรือต่อบุคคลอื่นโดยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ตาม ต้องพยายามหัดมองให้ได้ว่าเขาคือคนป่วยสมมติว่าท่านปฏิบัติในข้อนี้ได้แล้วขั้นต่อมาก็คือให้นํามาเปรียบเทียบ ก, กับตัวเองเมื่อเราเข้าใจเรื่องของคนอื่นในไม่ช้าก็จะเข้าใจเรื่องของตัวเองกล่าวคือจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าการที่เราเกิดโมโหบ่อย ก็เพราะเราเป็นคนป่วยเหมือนกับเขานั่นเองเมื่อท่านรู้สึกตัวได้เช่นนี้แล้วการแก้ไขนิสัยของตัวเองในเรื่องขี้โมโหนี้ก็นับว่าเราได้แก้ไขามาแล้วอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งและการที่จะแก้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่ไม่หนักแล้วแต่ถ้าท่านยังไม่รู้สึกว่าท่านเป็นคนป่วย ท่านไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าคนอื่นที่เกิดโทสะบ่อยๆนั้นคือคนป่วยซึ่งมันหมายความว่าเรายังไม่ยอมรับว่าความจริงเราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันถ้าท่านรู้สึกว่าคนโกรธคือคนป่วยก็หมายถึงว่าท่านเห็นใจเขาแล้วและท่านยอมรับแล้วว่าเขายังเป็นคนดีอยู่และแล้ว ท่านก็จะไม่โกรธเขาเพราะท่านไม่ได้แสดงปมเคืองออกมาอันนี้จะเป็นจุดสำคัญจุดแรกของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้สำหรับไมกรณีที่คนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจแล้วเราก็เกิดความโกรธนั้นซึ่งหมายความว่าคนอื่นไม่ได้โกรธเพียงแต่เขาทำสิ่งไม่ดีหรือทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ และการที่เราโกรธนั้นท่านผู้อ่านบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าในกรณีอย่างนี้เราจะไปคิดได้อย่างไรว่าคนที่ทาไม่ดีนั้นคือคนป่วยเพราะเขาไม่ได้แสดงความโกรดสำหรับในปัญหาข้อนี้โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกหน่อยกล่าวคือขอให้พิจารณาจากแง่ของตัวเองว่า ทำไมเมื่อคนอื่นทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจเราเราจึงต้องโกรธทุกทีระ ง, งับความโกรธไม่ได้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวมาแล้วอย่างไรข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าบทฝึกหัดอันแรกในอันที่จะแก้นิสัยโกรธง่ายของตัวก็คือเมื่อเห็นคนอื่นแสดงความโกรธต้องพยายามหัดคิดให้ได้ว่า คนประเภทนี้คือคนป่วยสมมติว่าท่านคิดได้และนำมาเปรียบเทียบกับตัวเองจนกระทั่งรู้สึกว่าการที่เราแสดงความโกรธออกมาบ่อยๆนั้นก็เพราะเราเป็นคนป่วยเหมือนกันอะไรทำให้คนป่วยนี่คือจุดสำคัญท่านต้องรู้แจ้งในปัญหาข้อนี้ซึ่งถ้ารู้แจ้งแล้ว ข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าเวลาคนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจความโกรธจะค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งในที่สุดแม้ว่าใครจะทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจก็อาจจะหัวเราะได้จะเห็นเป็นเรื่องขบขันได้หรืออย่างน้อยก็วางเฉยได้ขอให้เรามาวิเคราะห์ถึงตัวเชื้อโรคแห่งความโกรธกันให้ละเอียด อีกสักเล็กน้อยข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่ามารดาบิดาที่ไม่โกรธลูกของตัวเองในเมื่อลูกทําผิดหรือทําสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะมารดาบิดามีความเมตตาปราณีต่อลูกของตัวเองสูงมากและประการที่สองทอนึกได้เสมอว่าลูกยังเล็ก ลูกยังไม่เคยรู้อะไรจึงให้อาภัยได้แต่ขอให้สังเกตว่าถ้าลูกนั้นโตขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วเขาจะทำอย่างนั้นอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกไปทำผิดเหมือนเมื่อสมัยที่ลูกยังเล็กอยู่พ่อแม่ก็จะโกรธขึ้นมาทันที ทั้งๆ ท, ที่มีความเมตตาปราณีต่อลูกและพ่อแม่ก็มักจะต้องบอกว่าที่โกรธลูกที่ลงโทษลูกก็เพราะแกมันโตแล้วขอให้จำไว้ว่าความหวังดีอย่างเดียวหรือความเมตตาปราณีอย่างเดียวชื่อระงับความโกรธไม่ได้ขอให้สังเกตให้ดีว่าต้องมีความไม่ยืดถือด้วย และที่ไม่ยึดถือนั้นก็เพราะคิดว่าเขาเป็นเด็กและให้อภัยได้แต่สำหรับในกรณีที่ลูกเมื่อโตขึ้นมาแล้วทำผิดหรือลูกน้องทำผิดและเกิดความโกรธนั้นเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกในแบบที่พ่อแม่มีต่อลูกที่ยังอยู่ในวัยเด็กหรือในวัยทารกท้งนี้ก็เพราะ ในขนาดนั้นเราขาดความเห็นใจขอให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าการที่พ่อแม่ไม่โกรธลูกที่ยังเล็กอยู่นั้นก็เพราะความเห็นใจที่เห็นว่าลูกยังเล็กอยู่แต่พอลูกโตขึ้นมาแล้วการเห็นใจที่ว่านี้ค่อยหมดไปในทำนองเดียวกับผู้บังคับบัญชาโกรธลูกน้องในเมื่อลูกน้องทาผิด ก็เพราะความเห็นใจในขณะนั้นไม่มีปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะสร้างความเห็นใจให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอหรือผู้อีกในหนึ่งว่ารู้จักคิดจากแง่ของคนอื่นมาหาตนเองถ้าทาได้อย่างนี้แล้วไม่ว่าใครจะทำอะไรผิด หรือทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจความเห็นใจจะเกิดขึ้นมาระงับโทสะไว้ได้ก่อนก่อนที่โทสะมันจะเกิดขึ้นขอให้ท่านสังเกตดูว่าคนที่ไม่ยอมคิดหรือคิดไม่ได้ว่าคนที่แสดงความโกรธจะด้วยเหตุใดก็ตามคนนี้คือคนป่วยถ้าเขาคิดอย่างนี้ไม่ได้ นี่จะหมายความว่าข้าไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นหรือผู้หญิงนายหนึ่งว่าเขาไม่สร้างนิสัยเห็นใจคนอื่นให้เกิดขึ้นที่ตัวและถ้าหากเราไม่สร้างนิสัยอันนี้ให้เกิดขึ้นก็แปลว่าเราไม่ยอมรับประทานยาที่จะระ ง, งับโทสะหรือผู้หญิงนายหนึ่ง เราไม่สร้างตัวยาที่จะต้านทานต่อความโกรธที่เกิดขึ้นในใจถ้าท่านเข้าใจเรื่องที่กล่าวมานี้ทั้งหมดท่านก็จะมองเห็นว่าการหัดมองให้เห็นว่าคนที่โกรธคือคนป่วยนั้นเป็นการหัดสร้างนิสัยการเห็นใจการให้อภัยให้เกิดขึ้นด้วยถ้าเราหัดเช่นนี้บ่อย นิสัยเห็นอกเห็นใจคนอื่นก็จะเกิดขึ้นและถ้าหากนิสัยอันนี้มีมากพอแล้วมันก็มีผลสืบเนื่องมาถึงในเวลาที่คนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจนิสัยเห็นใจคนอื่นซึ่งมีอยู่ในสันดานเพราะเราได้สะสมไว้มากแล้วนิสัยอันนี้ก็จะลุกขึ้นมาทาหน้าที่ของมันได้อย่างฉับพลัน กล่าวคือไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจเราก็หัวเราะได้หรืออย่างน้อยก็วางเฉยได้วิธีระ ง, งับความโกรธเท่าที่แนะนำมานี้เป็นวิธีง่ายๆทุกคนถ้าอยากจะแก้นิสัยของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะทำได้โดยไม่ยากเลยเป็นแต่สำหรับบางคน อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าคนที่มีปมเครื่องอยู่ในตัวเองไม่ยอมละนิสัยอันนี้บทฝึกหัดที่กล่าวมานี้เขาจะเอาไปใช้ไม่ได้และถ้าคนไหนเอาไปใช้ไม่ได้กรรมจะต้องตามสนองเขาในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวเขาจะต้องตกนรก ไฟนรกคือโทสะจะต้องแผดเผาเขาอยู่เสมอหาความสุขไม่ได้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่เป็นนายหรือเป็นหัวหน้าคนซึ่งจะอยู่ในอันดับไหนก็าตามโดยปกติเป็นโรคปมเรื่องกันมากเพราะฐานะและสิ่งแวดล้อมคอยยั่วยุให้เป็น มันคล้ายๆกับคนที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วและจะต้องมาถูกฝนบ่อยๆแน่นอนเขาก็ต้องเป็นหวัดบ่อยๆเพราะฉะนั้นขอได้โปรดระวังเอาไว้คนที่เป็นหัวหน้าคนอย่าให้ปมเคื่องเกิดขึ้นและหากจะมีก็อย่าให้มากนักปมเรื่องคือสาเหตุอันแท้จริงของความปวดทุกประเภท ความโกรธต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุอะไรก็ตามเช่นเพราะเขาทำอะไรไม่ถูกใจหรือเพราะเขาทำผิดหรือเพราะเขาทำความเสียหายให้แก่ตนหรือเพราะอะไรก็ตามสาเหตุต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ต้นเหตุหรือเหตุที่แท้จริงของความโกรธ เหตุที่แท้จริงของความตรวจนั้นคือปมเขื่อ ง, องท่านจะยอมให้ไฟนรกคือไฟแห่งโทสะเผาท่านอยู่เสมอหรือไม่ท่านจะคิดดับไฟนรกอันนี้หรือไม่ถ้าคิดจะดับจงหัดให้เป็นคนมีนิสัยรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจงยอมรับในความสําคัญหรือในความดีของคนอื่นแม้เพียงเล็กๆน้อยๆ อย่าคิดเป็นอันขาดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นทุกอย่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คนอื่นซึ่งจะเป็นใครก็ตามแม้จะมีความดีเพียงเล็กน้อยเท่าที่เรามองเห็นก็ขอจงได้พยายามยอมรับนับถือความดีของเขาและจงสรรเสริญเขาด้วยใจจริงจงพยายามหัดมองคนในแง่ดี พยายามที่จะคิดจากแง่ของคนอื่นเข้ามาหาตัวเองอย่าคิดจากตัวเองไปหาคนอื่นและโดยเฉพาะก็คือให้พยายามสร้างความเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นเสมือนหนึ่งพ่อแม่มีความเมตตาต่อลูกท่านต้องพยายามหัดให้ได้อย่างนี้ถ้าท่านไม่หัดอย่างนี้ก็หมายความว่า ท่านยังไม่เลิกจากการทำบาปและบาปอันนี้จะต้องให้ผลท่านตาเห็นในชีวิตนี้เองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าและนั่นยะหมายความว่าเมื่อในชาตินี้ท่านจะต้องตกล ร, รกแห่งไฟโทสะไฟแห่งโทสะยังเผาท่านได้อยู่เสมอเช่นนี้และก่อนที่จะตายท่านก็ยังไม่ได้แก้นี้สัยอันนี้ นั่นย่อมหมายความว่าเกิดไปชาติหน้าท่านก็จะต้องตกน ร, รกแบบเดียวกันนี้อีกวิธีที่จะสร้างนิสัยเห็นอกเห็นใจคนอื่นนิสัยที่ประกอบไปได้วยความเมตตาปราณีก็คือบทฝึกหัดอันแรกเมื่อเห็นใครเขาแสดงความโกรธต่อเราหรือต่อใครก็ตามท่านต้องพยายามคิดให้ได้ว่า เขาคือคนป่วยซึ่งจะมีผลทําให้เราเกิดความรู้สึกตัวได้ในภายหลังว่าเราก็เป็นคนป่วยเหมือนกันเพราะมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆบทฝึกหัดอันที่สองซึ่งยากกว่านี้ขึ้นไปอีกหน่อยหรือสําหรับบางคนก็อาจจะยากมากก็คือถ้าเห็นใครเขาทาอะไรไม่ดี จะเป็นด้วยเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองหรือไม่เกี่ยวก็ตามท่านต้องพยายามคิดให้เห็นว่าเขาผู้นั้นก็คือคนป่วยเหมือนกันแต่ป่วยได้โรคคนละอย่างไม่เหมือนกับคนที่โกรธง่ายโดยปกติบุคคลที่เป็นนายหรือเป็นผู้ปกครองถ้าเห็นลูกน้องหรือผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ทำอะไรผิดก็มักจะโกรธขอให้สังเกตว่าพ่อแม่ที่โกรธลูกครูอาจารย์ที่โกรธลูกศิษย์หรือเพื่อนกับเพื่อนโกรธอีกฝ่ายหนึ่งในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทําผิดนั้นเป็นเพราะความรักและความหวังดีไม่ต้องการที่จะเห็นคนที่ตนเองรักทําอะไรผิดความโกรธที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ มีความยึดถือเป็นส่วนประกอบสำคัญและอีกแง่หนึ่งก็คือยึดถือเอาความต้องการของตนเองหรือความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักมองจากตัวเองไปหาคนอื่นและอยากจะให้คนอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่ตนเองรักเป็นเสมือนกับตัวเองเป็นไปตามความปรารถนาของตัวเองในข้อนี้ ผิดจากข้อแรกตรงที่คนที่ทําผิดนั้นเขาไม่โกรธใครเราเองเป็นคนโกรธส่วนในข้อแรกคนอื่นเป็นคนโกรธเราเองไม่โกรธโปรดจําข้อแตกต่างอันนี้ไว้ด้วยข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าความเมตตาความหวังดีอย่างเดียวไม่พอที่จะระงับความโกรธ คนที่สามารถจะระ ง, งับความโกรธของตนได้ต้องมีความเห็นใจคนอื่นด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คืออย่ายึดมั่นในความคิดของตนและในความปรารถนาของตนเพราะทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยของมันวิธีที่จะแก้ความยึดถือในเรื่องนี้ก็คือต้องคิดจากแง่ของคนอื่นเข้ามาหาตนเอง ตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเคยอ้างมาแล้วก็คือเมื่อเราไปเห็นลิงมันแสดงกิริยาขู่ตะคอบหรือกริยาที่อยู่ไม่สุขเราไม่รู้สึกโกรธหรือไม่พอใจต่อลิงก็เพราะเรารู้ว่าสัญดาณของลิงต้องเป็นเช่นนั้นเราจะให้ลิงเป็นเหมือนเราไม่ได้เราอาจจะมีความปรารถนาดีต่อลิง อยากจะหัดให้ลิงเป็นผู้ดีบ้างก็อาจจะหัดได้บางอย่างแต่จะหัดให้เหมือนคนทุกอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ในธรรนองเดียวกับบุคคลที่เป็นผู้ปกครองคนอื่นหรือบุคคลที่เป็นพี่น้องกันหรือเป็นเพื่อนรักกันก็ตามซึ่งโดยปกติย่อมจะมีความรักและมีความหวังดีเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลา แต่ในบางกรณีที่ฝ่ายหนึ่งทำผิดแล้วเราก็โกรธนั้นเป็นเพราะในขณะนั้นเราไม่ได้คิดเหมือนกับที่เราคิดต่อลิงแต่เราคิดอยากจะให้คนนั้นคนนี้เป็นไปตามความปรารถนาของเราลืมนึกไปว่าทุกคนจะเป็นอะไรย่อมขึ้นอยู่กับนิสัยสันดานและชะตากรรมของเขา ถ้าหากว่าเราคิดได้เหมือนกับที่เราคิดต่อลินเราก็จะเป็นคนใจเย็นได้เสมอในเมื่อลูกน้องทําผิดแต่อย่างไรก็ดีการที่เราจะหัดคิดมองจากแง่ของคนอื่นมาหาตัวเองและในที่สุดก็ไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นและความปรารถนาของตนนั้นบทฝึกหัดอันแรก ที่จะต้องฝึกหัดก็คือต้องพยายามมองให้เห็นว่าคนที่ทำอะไรผิดคือคนป่วยการหัดคิดในลักษณะเช่นนี้จุดประสงค์ก็เพื่อจะหัดให้เราเป็นคนมีนิสัยรู้จักเห็นใจคนอื่นโปรดสังเกตว่าการเห็นใจคนอื่นนานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราคิดจากแง่ของคนอื่นมาหาตัวเอง เช่นนึกถึงความจำเป็นนึกถึงสิ่งแวดล้อมนึกถึงพื้นความรู้นึกถึงนิสัยใจคอนึกถึงการอาชีพและอื่นๆของเขาเราไม่เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบแล้วเราก็จะตีราคาหรือตัดสินการกระทาของคนคนนั้นได้ถูกต้องโดยถือหลักจากสิ่งแวดล้อม จากนิสัยใจคอหรือจากความจําเป็นของเขาโดยวิธีนี้ในเมื่อเราเห็นใครทําผิดแม้จะเป็นบุคคลที่เรารักและหวังดีสักเพียงราก็ตามก่อนอื่นถ้ามายึดถือความคิดเห็นและความปรารถนาของตัวเองเป็นหลักตัดสินแล้วความเห็นอกเห็นใจก็จะต้องเกิดขึ้นก่อนครั้นแล้ว ความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าจะเกิดก็คงจะไม่รุนแรงอะไรนักเมื่อเราเห็นคนงานของเราป่วยไม่ไปทํางานเราไม่โกรธเพราะเรารู้อยู่ว่าไม่ว่าเขาหรือเราถ้าป่วยแล้วมันก็ต้องอย่างนี้เมื่อความเห็นใจเกิดขึ้นแล้วเราก็จะนึกได้ว่าช่างเขาเถอะเขาไม่สบายไม่ต้องไปรบกวนขเขาหรอก อย่างนี้เป็นต้นคนที่ป่วยได้โรคทางกายเรามองเห็นได้ง่ายส่วนคนที่ป่วยได้โรคทางใจที่จริงก็มองเห็นได้ไม่ยากแต่เป็นเพราะเหตุที่เราไม่ค่อยจะหัดมองกันไม่พยายามคิดกันในแง่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นใครทําผิดจากควมเขืองของตัวเอง มันจะสั่งให้เราคิดหรือพูดออกมาทันทีด้วยความโกรธว่าเขาทำไม่ดีเขาทำผิดเขาทำไม่เหมาะไม่ควรอะไรต่างๆทำนอง น, นี้มันคล้ายกับคนบางคนซึ่งโดยปกติเขาก็เหยียดหยามสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วถ้าหากสุนัขหรือแมวมาขโมยของกินที่เขาหวงเขาก็มักจะโกรธและลงโทษเกินกว่าเหตุ เขาไม่ได้นึกเลยว่าโดยธรรมดาสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่รู้จักสิทธิทหรือหน้าที่ไม่รู้จักรับผิดชอบฉะนั้นมันจึงทำเช่นนั้นบางคนอาจจะฆ่าสุนัขหรือแมวด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยความร้ายกาจหรือความใจดำอมหิตที่มีอยู่ในสัญญาณนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะตีราคาตัวเองสูง และอีกอย่างหนึง่งเป็นเพราะไม่มีนิสัยเมตตาปราณีไม่รู้จักเห็นใจในกรณีของคนบางคนก็คล้ายๆกันนี้นายที่ดูลูกน้องบ่อยๆบางทีก็เกิดขึ้นจากปมเคื่องและตีราคาลูกน้องต่ำกว่าตัวเองมากความผิดเพียงเล็กน้อยก็เลยเห็นเป็นความผิดที่ใหญ่โต แต่อย่างไรก็ดีเราจะต้องไม่ลืมว่าถ้าเราปรารถนาที่จะแก้นิสัยขี้โมโหเราก็จะต้องหัดตัวเองเสียใหม่ด้วยการสร้างนิสัยความเห็นใจให้เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีทางหายจากนิสัยขี้โมโหอันนั้นเลยคนทำผิดคือคนป่วยเป็นคำพูดที่ค่อนข้างเข้าใจยาก แต่ขอให้ท่านโปรดพิจารณาดูถึงเหตุผลดังต่อไปนี้แล้วท่านจะเข้าใจได้อย่างดีคนที่ป่วยทางกายก็คือคนที่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นโรคหรือผิดปกติถ้าหากว่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายอยู่ในสภาพปกติคนนั้นย่อมไม่ป่วยและในทำนองเดียวกัน โดยธรรมดาของปุถุชนไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงเพียงไรก็ตามเขาจะเป็นบุคคลที่มีจิตใจสมบูรณ์ทุกๆด้านไม่ได้คนที่ว่าทำอะไรไม่ผิดถ้าให้คนที่เขามีจิตใจสูงกว่ามีความรู้มากกว่าพิจารณาดูเขาก็จะบอกได้ว่าคนนั้นทำอะไรผิดบ้าง ความจริงที่ว่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่การที่เรายอมรับการกระทาบางอย่างว่าถูกนั้นเพราะเรากำหนดมาตรฐานไว้อย่างนั้นเด็กชั้นประถมเรากำหนดมาตรฐานไว้อย่างหนึ่งเด็กชั้นมัธยมก็กำหนดมาตรฐานไว้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเด็กในชั้นประถมทำอะไรถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของชั้นประถมเราก็บอกว่าเด็กทำถูกแต่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เขาเด็กชั้นมัธยมเราก็จะพบว่าเด็กชั้นประถมนั้นยังทำอะไรผิดอีกหลายอย่างตัวอย่างในเรื่องเด็กดังที่กล่าวมานี้มองเห็นได้ง่ายแม้ในเรื่องของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลชั้นไหน มีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะทำอะไรไม่ผิดเพราะโดยธรรมดาของปุถุชนทุกคนไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์ในด้านจิตใจทุกอย่างทุกคนต้องทำผิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถึงเราเองก็เหมือนกันและการที่เรามีความโกรธเกิดขึ้นในเมื่อลูกน้องทำผิดนั้นสาเหตุสำคัญอยู่ที่ ตรงที่เรากำหนดหลักเกณฑ์ของคนคนนั้นไม่ถูกเช่นอาจจะกำหนดสูงเกินไปหรืออาจจะกำหนดต่ําเกินไปพูดง่ายๆว่าเราตีราคาคนผิดวิธีที่จะแก้ในเรื่องนี้ก็คือไม่เห็นใครทําผิดอย่านึกถึงตัวเองในทานองว่าถ้าเป็นเราแล้วเราไม่ทําอย่างนั้น โปรดอย่าคิดอย่างนั้นเป็ น, นขาดแต่จงคิดในทรรนองว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาต้องทําผิดเช่นนั้นพยายามนึกถึงเหตุตามความเป็นจริงและพร้อมกันนั้นจะต้องมีความเห็นใจอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่จะต้องระวังอย่างยิ่งก็คืออย่าตีราคาคนคนนั้นผิดจากความเป็นจริง หลักเกณฑ์ในอันที่จะตัดสินว่าเขาผิดหรือถูกต้องกําหนดให้ถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงของเขาอย่ามุ่งแต่ในหลักการของตนเองหรือหลักการที่วางไว้ในเมื่อต้องการจะระงับความโกรธของตนการที่พระเจ้าแนะนําให้คิดว่าคนที่ทําผิดคือคนป่วยนั้นก็เพราะโดยธรรมดาทุกคนเป็นคนป่วยในทางจิต ถึงเราเองก็เหมือนกันซึ่งถ้าหากเราคิดได้เช่นนี้ความเห็นโลกเห็นใจกันก็จะเกิดขึ้นเขาพระเจ้ากล้ายืนยันได้ว่าถ้าตราบใดยังคิดไม่ได้ว่าคนที่ทำผิดคือคนป่วยถ้าท่านเป็นผู้ปกครองคนอื่นท่านก็จะปกครองคนอย่างใจเย็นไม่ได้และถ้าท่านไม่แก้นีสใสอันนี้ ท่านก็ต้องตกนรกอยู่เสมอคือนรกแห่งไฟโทสะของท่านเองทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปจบเรื่องวิธีชนะความโกรธ